พาลวักหมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทั้งหลายคนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ซึ่งยังมาไม่ถึงสองคนที่ไม่ทำหน้าที่ซึ่งมาถึงแล้วคนพาลสองจำพวกนี้แหละบัณฑิตสองจำพวกนี้ บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่ทำหน้าที่ซึ่งยังมาไม่ถึง 2. คนที่ทำหน้าที่ซึ่งมาถึงแล้วบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 3. คนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควร คนพานสองจำพวกนี้แหละบัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ควรบัณฑิตสองจำพวกนี้แหละคนพานสองจำพวกนี้คนพานสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัตในข้อที่ไม่เป็นอาบัต 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัตในข้อที่เป็นอาบัตคนผ่านสองจำพวกนี้แหละบัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัตในข้อที่ไม่เป็นอาบัตสอคนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัตในข้อที่เป็นอาบัต บัณฑิตสองจำพวกนี้แหล 7. คนพานสองจำพวกนี้คนพานสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมสองคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมคนพานสองจำพวกนี้แหล 8. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. นคนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรม 2. คนที่เข <st utt enza consumption> ้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมบันดิตสองจำพวกนี้แหล 9. คนพานสองจำพวกนี้คนพานสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัย คนพันสองจำพวกนี้แหล 10. บัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือหนึคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัยสองคนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยบัณฑิตสองจำพวกนี้แหละสอาดสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1>, 1. คนที่รังเกียจสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจ 2. คนที่ไม่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แหล 12. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่รังเกียจสิ่งท um ี่ไม่น่ารังเกียจ 2. คนที่รังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจ อาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แหละ3อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรอาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แหละ 14. สอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวก คนสองจำพวกไหนบ้าง 1. คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ไม่ควร 2. คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ควรอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 15. อาสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติ 2. คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัตในข้อที่ไม่เป็นอาบัตอสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล 16. อากสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัตในข้อที่เป็นอาบัต 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัตในข้อที่ไม่เป็นอาบัตอสวะ ย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล17อารสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรม 2. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมอารสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แล18อารสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวก คนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมสองคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แหล 19. อาอสวะย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย 2. องคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยอาสวะเย่อมเจริญแก่คนสองจำพวกนี้แลยี่สิบอสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัยสอง คนนี้เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยภิกษุทั้งหลายอาสวะย่อมไม่เจริญแก่คนสองจำพวกนี้แลภารวักที่หจบทุติยปันนาจบบริบูรณ์ 3. ตาติยะปันนาต 1. อาสาทุปชะหวักหมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความหวังสองอย่างนี้ละได้ยากความหวังสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความหวังในลาบ 2. ความหวังในชีวิตความหวังสองอย่างนี้แหละละได้ยาก 2. บุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุพการีผู้ทำอุปการะก่อน 2. กัตัญญูกัตเเวทีผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนบุคคลสองจำพวกนี้แหลหาได้ยากในโลก 3. บุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลก บุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่อิ่มเอง 2. คนที่ให้ผู้อื่นอิ่ม 4. บุคคลสองจำพวกนี้แหลหาได้ยากในโลก 4. บุคคลสองจำพวกนี้ให้อิ่มได้ยากบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง 2. คนที่เสลสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง บุคคลสองจำพวกนี้แหละให้อิ่มได้ยาก 5. บุคคลสองจำพวกนี้ให้อิ่มได้ง่ายบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่ไม่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง 2. คนที่ไม่สะละสิ่งที่ได้มาทุกครั้งบุคคลสองจำพวกนี้แหละให้อิ่มได้ง่าย 6. ปัจจัยที่เกิดราคาสองอย่างนี้ ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุพนิมิตนิมิตงาม 2. องอโยนิโสมานัสการการมานัสการโดยไม่แยบใครปัจจัยให้เกิดราคะสองอย่างนี้แล 7. ปัจจัยให้เกิดโทสะสองอย่างนี้ปัจจัย2 อ, อย่างอะไรบ้างคือ 1. ปฏิฆะนิมิตนิมิตให้ขัดเคือง 2. อโยนิโสมนาสการปัจจัยให้เกิดโทสะสองอย่างนี้แล 8. ปปัจจัยให้เกิดมิชาทิฐิสองอย่างนี้ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปรตโตโคสะเสียงจากผู้อื่น 2. อโยนิโสมนาสการปัจจัยให้เกิดมิชาทิฐิสองอย่างนี้แล 9. ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฐิสองอย่างนี้ ปัจจัยสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ปรตโตโคสะ 2. โยนิโสมณัสการการมณสิการโดยแยกข่ายปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฐิสองอย่างนี้แล 10. อาบัตสองอย่างนี้อาบัดสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาบัดเบา 2. อ, อาบบตดหนักอาบัดสองอย่างนี้แล 11. อาบัตสองอย่างนี้อาบัตสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาบัตชั่วหยาบสองอาบัตไม่ชั่วหยาบอาบัตสองอย่างนี้แหละ2อาบัตสองอย่างนี้อาบัตสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งอาบัตที่มีส่วนเหลือสองอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายอาบัตสองอย่างนี้แหละ อาสาทุปปัชหวัคที่หนึ่งจบ 2>, 2. อาญาจนะวัคหมวดว่าด้วยความปรารถนา 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 และภิกษุณีอุบลวันนาเถิดเขมาและอุบลวันนานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของภิกษุณีสาวิคาของเรา 3. อุบาสกผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบเพื่อปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับจิตตคหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีเถิดจิตตคหบดีและหัตถกะอุบาสก ชาวเมืองอารวีนี้เป็นบรรทัานเป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา 4. อุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุดชุตราและอุบาสิกาเวลูกันตกีนันทมาตาเถิดขุดชุตราและเวลูกันตกีนันทมาตานี้เป็นบรรทัาน เป็นมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเรา 5. คนพานผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยทำสองประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองผู้สรรเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองผู้ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญคนพานผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการ ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทาสองประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตรตรองแล้วผู้ติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตรตรองแล้วผู้สันเสริญคนที่ควรสันเสริญบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัต บ, บุรุษ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 และประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ่ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 2. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตว์ปรุหประกอบด้วยทำสองประการอย่างนี้แล ย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ปรุษประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากธรรมสองประการอะไรบ้างคือ หพิจารณาไตร่ตรองแล้วปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่มีควรเลื่อมใส 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสองประการ น, นี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียน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 คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นสัตว์ประษปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ชัยบุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ประษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหาย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 ปฏิบัติผิดในบุคคลสองจำพวกนี้แหลย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใ ช, like ช, ช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์รุษปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก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 ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 2. ความไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกทำสองประการนี้แหละ 10. ทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. โกทะความโกรธ 2. ออุปนาหะความผูกโกรธทำสองประการนี้แหละ1อ ทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. การกาจัดความโกรธ 2. การกาจัดอุปนาหะภิกษุทั้งหลายทาสองประการนี้แหละอายาจนะวักที่สองจบ สาทานนวักหมวดว่าด้วยทาน 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้ทานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสทานการให้สิ่งของ 2. ธรรมทานการให้รมทานสองอย่างนี้แหลบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศ 2. การบูชายันสองอย่างนี้การบูชายันสองอย่างอะไรบ้างคือ <gusta S> 1. การบูชายันด้วยอามิต h สการบูชายันด้วยธรรมการบูชายันสองอย่างนี้แหลบรรดาการบูชายันสองอย่างนี้การบูชายันด้วยธรรมเป็นเลิศ 3. จาคะการสละสองอย่างนี้จาคะสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. 1. อ, าาาาอามิสจาคะการสละอามิสส 2. ธรรมจาคะการสละธรรมจาคะสองอย่างนี้แลบรรดาจาคะสองอย่างนี้ธรรมจาคะเป็นเลิศ 4. การบริจาคสองอย่างนี้การบริจาคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การบริจาคอามิสส 2. การบริจาคธรรมการบริจาคสองอย่างนี้แล บรรดาการบริจาคสองอย่างนี้การบริจาคธรรมเป็นเลิศ 5. การบริโภคสองอย่างนี้การบริโภคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การบริโภคอามิสสองการบริโภคธรรมการบริโภคสองอย่างนี้แหลบรรดาการบริโภคสองอย่างนี้การบริโภคธรรมเป็นเลิศ 6. กการคบหากันสองอย่างนี้ การ <PTSD> คบหากันสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การคบหากันด้วยอามิต h 2. การคบหากันด้วยธรรมการคบหากันสองอย่างนี้แหลบรรดาการคบหากันสองอย่างนี้การคบหากันด้วยธรรมเป็นเลิศ 7. การจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การจำแนกอามิต h 2. การจำแนกธรรม การจำแนกสองอย่างนี้แหลบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกธรรมเป็นเลิศ8การสงเคราะห์สองอย่างนี้การสงเคราะห์สองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การสงเคราะห์ด้วยอามิสส 2. การสงเคราะห์ด้วยธรรมการสงเคราะห์สองอย่างนี้แหลบรรดาการสงเคราะห์สองอย่างนี้การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ 9. การอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์สองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การอนุเคราะห์ด้วยอามิ t h การอนุเคราะห์ด้วยธรรมการอนุเคราะห์สองอย่างนี้แหลบรรดาอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ 10. ความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้ความเอื้อเฟื้อสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเอื้อเฟื้อด้วยอามิ t 2. ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้แหลภิิษุทั้งหลายบรรดาความเอื้อเฟื้อสองอย่างนี้ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมเป็นเลิศทานวัคที่สามจบ สันธารวัคหมวดว่าด้วยการรับรอง 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสันฐานการรับรองสองอย่างนี้สันฐานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสสันฐานการรับรองด้วยอามิสสองธรรมสันฐานการรับรองด้วยธรรมสันฐานสองอย่างนี้แลบรรดาสันฐานสองอย่างนี้ ธรรมสันฐานเป็นเลิศ 2. ปฏิสันฐานการต้ Julia, ร hey. 1> 1. Okay. อนรับสองอย่างนี้ปฏิสันฐานสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสะปฏิสันฐานการต้อนรับด้วยอามิส 2. ธรรมปฏิสันฐานการต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันฐานสองอย่างนี้แหลบรรดาปฏิสันฐานสองอย่างนี้ธรรมปฏิสันถานเป็นเลิศ 3. การสาะหาสองอย่างนี้การสาะหาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การสาะหาอามิต 2. การสาะหาธรรมการสาะหาสองอย่างนี้แหลบรรดาการสาะหาสองอย่างนี้การสาะหาธรรมเป็นเลิศ 4. การแสวงหาสองอย่างนี้การแสวงหาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหาอามิต 2. การแสวงหาธรรมการแสวงหาสออย่างนี้แหลบรรดาการแสวงหาสองอย่างนี้การแสวงหาธรรมเป็นเลิศ 5. การค้นหาสออย่างนี้การค้นหาสออย่างอะไรบ้างคือ 1. การค้นหาอามิตร 2. การค้นหาธรรมการค้นหาสออย่างนี้แหลบรรดาการค้นหาสออย่างนี้การค้นหาธรรมเป็นเลิศ บูชาสองอย่างนี้บูชาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสบูชาการบูชาด้วยอามิส 2. ธรรมบูชาการบูชาด้วยธรรมบูชาสองอย่างนี้แลบรรดาบูชาสองอย่างนี้ธรรมบูชาเป็นเลิศ 7. จของต้นรับแขกสองอย่างนี้ของต้นรับแขกสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ของต้นรับแขกคืออามิตสอของต้นรับแขกคือธรรมของต้นรับแขกสองอย่างนี้แลบรรดาของต้นรับแขกสองอย่างนี้ของต้นรับแขกคือธรรมเป็นเลิศ 8. ความสำเร็จสองอย่างนี้ความสำเร็จสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความสำเร็จทางอามิตสความสำเร็จทางธรรมความสำเร็จสองอย่างนี้แล บรรดาความสำเร็จสองอย่างนี้ความสำเร็จทางธรรมเป็นเลิศ 9. ความเจริญสองอย่างนี้ความเจริญสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเจริญด้วยอามิตรสความเจริญด้วยธรรมความเจริญสองอย่างนี้แหลบรรดาความเจริญสองอย่างนี้ความเจริญด้วยธรรมเป็นเลิศ10รัตนแก้วอันประเสริฐสองอย่างนี้ รัตนะสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อามิสรัตนะรัตนะคืออามิตรสอธรรมรัตนะรัตนะคือธรรมรัตนะสองอย่างนี้บรรดารัตนะสองอย่างนี้ธรรมรัตนะเป็นเลิศ 11. การสะสมสองอย่างนี้การสะสมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การสะสมอามิตร สการสั่งสมธรรมการสะสมสองอย่างนี้แหลบรรดาการสะสมสองอย่างนี้การสั่งสมธรรมเป็นเลิศ 12. ความไพ่บุญสองอย่างนี้ความไพ่บูญสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไพ่บุญแห่งอามิต h สความไพ่บุญแห่งธรรมความไพ่บูญสองอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย บรรดาความภัยบณ์สองอย่างนี้ความภัยบณ์แห่งธรรมเป็นเลิศสันธารวักที่สจบ 5. สมาปฏิวักหมวดว่าด้วยสมาบัตหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติสองความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติทำสองอย่างนี้แหล 2. สองทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อาชวะความซื่อตรงสอง มัทวะความอ่อนโยนทำสองอย่างนี้แล 3. ะสามทสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งขันติความอดทนสองโสรจักความสงี่ยมทำสองอย่างนี้แล 4. สี่ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสาขัญยะความมีวาจาอ่อนหวาน สปฏิสันฐานการต้อนรับทำสองอย่างนี้แลห้าทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. นึ่อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน 2. โสเจยะความสะอาดทำสองอย่างนี้แล 6. กทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ สองความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แล 7. จ็ดทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์สองความรู้จักประมาณในการบริโภคทำสองอย่างนี้แลแปดทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิสังขาณะละ กำลังคือการพิจารณาสองภาวนาภละกําลังคือการเจริญทำสองอย่างนี้แล 9. ทําทสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสติภละกําลังคือสติสองสมาธิภละกําลังคือสมาธิทำสองอย่างนี้แล 10. ิบทำสองอย่างนี้ ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งทำสองอย่างนี้แหละ 1. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศสีลวิบัิความวิบัิแห่งสีน 2. ทิฏฐิวิบัิความวิบัิแห่งทิฏฐิทำสองอย่างนี้แหละ 12. สองทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. ทิทฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำสองอย่างนี้แหละ3ิาทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล14ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 2. ประทานความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิทำสองอย่างน anyway. ี้แล15ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบําเพ็ญเพียรทำสองอย่างนี้แล16บหกทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะทำสองอย่างนี้แล17บเจ็ดสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สติสองสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลสมาปฏิวัคที่5จบตติยะปันนาจบบริบูรณ์ 1. โกธปยาน1นถึงหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะความโกรธ 2. อุปนาหะความผูกโกรธ 1. มักขะความลบหลู่คุณท่าน 2. ปลาสะความตีเสมอ 1. อิสาความริษยา 2. มัชชริยะความตรณีหนึ่งมายามารยา 2. ส, สาธยยะความโอ้โอวด 1. อหิริกะความไม่อายบาป 2. องอโนตปะความไม่กลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลหกถึงสิทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง อโกทะความไม่โกรธ 2. อ, อนุปนาหะความไม่ผูกโกรธ 1. อมาขะความไม่ลบหลู่คุณท่าน 2. องอาสะความไม่ตีเสมอ 1. อณิสาความไม่ริษยา 2. อ, อมาชริยะความไม่ตรณี 1. อมายาไม่มีมารยาส อาสาเถอยะความไม่อโอดอวด 1. หิริความอายบาป 2. อโอตปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล1 1 1เอถึงิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสองอย่างย่อมอยู่เป็นทุกข์ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โปทะ 2. ออุปนาหะ 1. มักค 2. ะปลาสะ 1. อิ ส, สาสมัเชริยะ 1. มายา 2. ส, สาเถยยะ 1. อหิริกะ 2. อ, อนโนตปปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์1 6บหถึงิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำสองอย่างย่อมอยู่เป็นสุขทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อ, อนุปนาหะ 1. อมาคขะ 2. อ, อปาลาสะ 1. อณิสาสออมาชริยะ 1. อมายา 2. อ, อสาเถยะ 1. ห, หิริ 2. อโอตปะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมอยู่เป็นสุข 21-25 ทบถึงสาธรรมสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเซขะธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะ 2. อ, อุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิ ส, สาสองมัชริยะ หมายา 2. ส, สาทยะ 1. อหิริกะ 2. อ, อนโนต ป, ปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเศคาร์ยสิบหกถึงสาสทำสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุผู้ยังเป็นเศคาร์ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อกโกทะ 2. ออนุปนาหะ 1. อมะะัคคะ 2. อปปลาสะ 1. อนิสาสอ 2. อมัตตริยะ 1. อมายา 2. อาสาเถยะ 1. ห, หิริ 2. อโอตปะภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุ ผู้ยังเป็นเซสคมสิถึงิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะสองอุปนาหะ 1. มัคคะ 2. ปลาสะ 1. อิสาสมัฉริยะ 1. มายา 2. สาเทยะ 1. อหิริกะ 2. อโนตปะภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ 36-40 ภิกถึงิุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อ, อนุปนาหะ 1. อมาคขะ 2. อ, อปลาสะ 1. อณิสาสอ 2. อมาชริยะ 1. อมายา 2. อ, อสาเถยะ 1. ห, หิริ 2. อุอตปะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้41 – 45ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โกทะ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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรก 46-50 ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะ 2. อนุปนาหะ 1. อมัคคะ 2. อ, อปะลาสะ 1. อนิสาสออมัชริยะ 1. อมายา 2. อ, อสาเทยยะ 1. ห, หิริ 2. โอตปะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสองอย่างนี้แลหลังจากตายแล้วจะ เ, เกิดในสุคติโลกสวรรค์โกทะปิยานจบ